จะแก้คําสาบและคุณใสได้อย่างไรตอบก็น่าแปลกถึงยุคที่มีอินเทอร์เน็ตใช้กันแล้วนับวันกลับมีปัญหาเทือกนี้เพิ่มมากขึ้นทุกทีนี่ว่าตามที่รับรู้และมีเสียงขอความช่วยเหลือมานะครับคงเห็นผมเหมือนหมอผีเข้าไปทุกวันก็ดีแล้วก่อนอื่นขอบอกว่า ผมเป็นแค่นักเขียนธรมธรมดาๆเพียงแต่พอทราบหลักการทางพุทธอยู่บ้างคงได้แต่แบ่งปันความรู้กันตามมีตามเกิดเท่านั้นความจริงผมไม่สนใจเรื่องพันนี้รวมทั้งไม่อยากให้ใครสนใจด้วยแต่ยิ่งวันก็ยิ่งได้ยินได้ฟังหรือพบคนโดนวิชาอาคมเล่นงานบ่อยขึ้นเอาละในเมื่อไถ่าถามมาก็อยากเผยแพร่ทางแก้ไปกว้าง หวังว่าคงช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดีกันได้บ้างคุณใสเป็นของมืดเพราะโดยมากมักมา ก, กับความเจ็บใจเป็นอันดับหนึ่งมากับความร้อนวิชาอยากลองของเป็นอันดับสองและอันดับรังท้ายแต่ร้ายไม่แพ้สองอันดับแรกคือมากับความโลภทางเพศอยากครอบครองหญิงชายที่ตนปรารถนาความโลภโมโทสัรเหล่านี้ เป็นฝากฝ่ายความมืดบอดที่ผลักใส่ให้ลงต่ำทั้งนั้นถ้าไม่โดนกับตัวหรือไม่เห็นกับตาก็ยากที่คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าคุณใส่มีจริงและหลายครั้งคนมักโดนดีก็เพราะแทนที่จะเก็บความไม่เชื่อไว้กับตัวเงียบๆก็ไปดูถูกดูหมิน่นท้าทายกันนั่นเองความจริงการส่งคุณใส่ไปทาร้ายคนอื่นไม่ใช่เรื่องลี้ลับเกินสัมผัส ทำนองเดียวกับคำสาบแช่งแม้คนโดนแช่งจะไม่ประสบความวิบัติตามคำแต่ถ้าหากได้ยินกับหูก็จะรู้สึกถึงแรงกระทาอันเป็นด้านมืดบางอย่างอาจมีความหนักเหมือนโดนค้อนทุบหรืออาจติดพันไม่สบายใจคล้ายโดนครอบด้วยตาข่ายไร้ตนที่มืดทึบเป็นต้น หากเป็นพ่อแม่ที่เผลอตัวสาบแช่งลูกด้วยความโกรธแค้นผลร้ายบางอย่างมักปรากฏค่อนข้างทันตาเนื่องจากธรรมชาติความเป็นพ่อแม่นั้นมีลักษณะเหนือเกล้าต่อลูกอยู่ถ้อยคาจากปากหากมาในรูปการอวยพรก็นับเป็นมงคลอันประเสริฐแต่หากมาในรูปคำสาบแช่งก็กลายเป็นมหาอปมงคลจนญาจะหาอะไรเปรียบ นึกดูง่ายๆถ้าพ่อแม่ด่าลูกเ ส, เสียหายๆเช่นอีกรีเสียงจะติดหูยิ่งกว่าคนอื่นด่ากี่ร้อยเท่าและจะสร้างความโน้มเอียงให้ลูกอยากประชดด้วยการไปเป็นเช่นนั้นจริงๆได้สักขนาดไหนคนที่ชอบสาบแช่งผู้อื่นเป็นนิด โดยเฉพาะที่รู้สึกว่าสาบแล้วคนโดนมีอันเป็นไปตามประกาศสิทธิ์ตนมักจะหลงลำพองทนงเข้าใจว่าตนเป็นผู้วิเศษความจริงไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยเป็นบุญเก่าบางอย่างเช่นเคยรักษาสัตว์รักษาคำพูดทำทุกอย่างสำเร็จครบตามสัญญาทางวาจาเสมอหรือฝึกเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคาด้วยจิตที่หนักแน่นคมคาย ก็ก่อให้เกิดฤธิ์ทางวาจาเป็นผู้มีวาจาสิทธิแบบอ่อนๆกันได้แล้วสำคัญคือเมื่อรู้ตัวว่ามีวาจาสิทธิแล้วเผลอใช้ไปในทางสาบแช่งเมื่อใดเงาหมือแห่งบาปอากุศลอย่างใหญ่ก็เกิดขึ้นห่อหุ้มจิตทันทีสิ่งที่จะรู้สึกด้วยตนเองเป็นอันดับแรกคือจิตใจที่ก้าวร้าวเยี่ยมเกลียและคิดอ่านในทางมุ่งร้าย ทำลายล้างอันดับต่อมาคือการมีกระแสลบก่อแนวโน้มให้เกิดเหตุร้ายหรือเรื่องราวน่าร้อนใจไม่หยุดยอนคุณใสก็มาในทํานองเดียวกับคำสาปความต่างที่ชัดเจนคือคำสาปนั้นมาเดียวได้ไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีพิธีครอบครูส่วนไสยศาสตร์จะมาเป็นหมู่เป็นพักเป็นพวก วิชาจะเกิดผลต้องมีความศรัทธาในครูหรือเคยสัมผัสพลังจากครูจนเชื่อมั่นแล้วรู้สึกถึงความเป็นของจริงซะก่อนจึงจะประสบความสําเร็จได้น้อยคนจะเกิดฤทธิ์ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งครูช่วยประสิทธิ์ประสาทสรุปคือทั้งคํำสาบและคุณไสเป็นพลังชนิดหนึ่งอยู่ฝ่ายมืด ไม่ได้น่าพิษวงไปกว่าการแอบเป่าลูกดอกอาบยาพิษใส่คนอื่นคำถามน่าแปลกใจจึงไม่ใช่คุณใส่มีจริงหรือไม่จริงแต่ประหลาดตรงที่ทุกคนทราบดีว่าใครริเล่นเข้าแล้วสุดท้ายต้องลงเอยด้วยการมีอันเป็นไปในทางร้ายทํานองเดียวกับคนเล่นพิษย่อมพลาดโดนพิษเข้าสักวันก็ยังมีแกใจศึกษาเร่าเรียนสืบทอดวิชามืดพันนี้ไม่จบไม่สิน้น มาดูว่าคนโดนคุณใส่ที่พบกันบ่อยๆมีสภาพเป็นอย่างไรโดยมากถ้าเป็นแบบอ่อนๆจะรู้สึกเหมือนมีเงามืดติดตามตัวและเงามืด น, นั้นบีบคั้นให้คิดเรื่องชั่วร้ายที่ตลอดมาไม่เคยคิดมาก่อนเช่นถ้ากำลังถือมีดอยู่แล้วใครเดินผ่านก็อาจอยากแทงขึ้นมากระทันหันหรือไม่ก็มีอาการจิตหลอนได้ยินเสียงกระซิบเรียกตัวจากสวรรค์ ขอให้ข้าตัวตายจะได้ไปช่วยเหลือกิจของเทพเป็นต้นพวกที่โดนดีแบบอ่อนๆเนี่ยจะยังสามารถรู้สึกว่านั่นเป็นความคิดแปลกปลอมยังห้ามตัวเองไม่ให้ทำตามเสียงกระซิบหรือกระแสกดดันได้อยู่พูดง่ายๆยังเป็นตัวของตัวเองมากพอแต่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะเป็นตัวของตัวเองตลอดไป อาจพลาดขึ้นมาได้ในวันใดวันหนึ่งจึงรู้สึกกลัดกลุ่มจนแทบประสาทกินอย่างระดับกลางคือประเภทรู้สึกถึงลมเพลมพัดคล้ายมีลมแปลกแปกที่ต่างจากสายลมสบายตามธรรมดาทั่วไปอัดเข้ามาเป็นระลอกโดนทีก็เหมือนมีความแน่นอกแน่นท้องอึดอัดทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างหนักหรือคลื่นไส้อยากอาจเจียน พวกที่โดนอย่างนี้จะคุ้มดีคุมร้ายบางทีหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งอย่างไร้สาเหตุหรือหาเรื่องทะเลาะ ก, กับคนใกล้ตัวยังไม่มีเหตุผลในทางตรงข้ามถ้าโดนสเสนยาแฝดก็จะเกิดราคะกล้าทวินหาใครบางคน ท, งทั้งที่เคยเกลียดชังอย่างแรงเป็นต้นระดับร้ายแรงที่สุด คือจะหมดความเป็นตัวของตัวเองอย่างสิ้นเชิงทํานองเดียวกับผีเข้าคลุ้มคลั่งเกือบตลอดเวลาหรือเจอพวกอาคมแก่กล้าเสกของเข้าร่างจนได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างต่อเนื่องพูดง่ายๆว่าอาการสาหัส ต, ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างเดียวพูดจากกันไม่รู้เรื่องแล้ว อย่างไรก็ตามระดับอ่อนกับระดับกลางอาจเกิดขึ้นจากการโดนวิบากบีบให้เกิดจิตห้อนเช่นถ้าเคยยั่วให้ผู้ชายหลงและหลอกใช้ใครต่อใครมามากถึงเวลาวิบากให้ผลก็อาจไปหลงรักคนเลวไรอนาคตได้อย่างเหลือเชื่อหรืออย่างในโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องตัดชีวิตกันโดยวิธีใช้ค้อนทุบหัวทั้งเป็นก็อาจส่งผลให้ปวดศีรษะรุนแรง เกิดภาพหลอนต่างๆหรือออกอาการคล้ายหมูกำลังจะตายชวนให้คนใกล้ชิดนึกว่าผีเข้าได้เรื่องพวกนี้ยากๆสำหรับคนทั่วไปแต่ขอให้ทราบเถิดว่าผลของ บ, บอาปอกุศลบางอย่างอาจบีบจิตให้เกิดอุปาทานหลอนเลวร้ายต่างๆได้เทียบเท่าหรือยิ่งกว่าโดนคุณใสฉะนั้นสิ่งที่น่าระวังยิ่งกว่าคุณใส ก็คือความคิดอันเป็นบาปอากุศลของเราเองเพราะคุณไสนั้นบางทีจะแก้ง่ายกว่าวิบากชั่วทางความคิดเสียอีกกรณีของพวกที่เจอพวกโดนคุณไสของจริงชนิดหมดสภาพไม่อาจควบคุมตนเองได้นั้นบางทีอาจมีอะไรแปลกๆปรากฏให้สัมผัสอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่นมีกลิ่นมันเนยหรือกลิ่นเหม็นเน่าระเหยออกมาอันนี้มักเป็นไปตามรูปแบบพิธีกรรมที่ใช้เล่นงานกันใสดำมักอาศัยอุปกรณ์จำพวกของตำๆของสุขภัณกลามกเป็นหลักอยู่แล้วการแก้ใสดำมีอยู่หลายวิธีโดยมากถ้าเป็นพื้นบ้านทั่วไปก็มักไปพึ่งพาใสาขาว ซึ่งเป็นวิชาที่มีเจตนาเป็นตรงข้ามกันแต่ก็ต้องอาศัยหลักประกอบพิธีกรรมและเป็นของมีครูคล้ายคลึงกับสายดำถ้าอยากสบายใจอาศัยหลักการแบบพุทธที่ไม่อิงสยาศาสตร์ใดๆทั้งขาวและดำคือมีความปลอดโปร่งโล่งใสตามแบบพระพุทธเจ้าคือโต้ตอบการทำร้ายด้วยการทำดีเช่นถ้าโดนใครสาบแช่งต่อหน้าก็อย่ากโกรธเกี้ย หรือสวนกลับด้วยการแช่งคืนแต่ให้ตั้งสติพิจารณาว่าคนแช่งกำลังโดนใสดดำจากธรรมชาติเล่นงานเป็นคนน่าสงสารเราควรเป็นฝ่ายใจเย็นเพื่อช่วยเหลือทั้งเขาและเราเองไม่พินาศเป็นไอเงามืดแห่งบาปอากุศลพร้อมกันทั้งคู่เมื่อคิดเป็นเมตตาได้ในระหว่างการปัะทะกับไอร้อนของความโกรธเกลียด จะมีความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นคือความสุขความมีปีติดื่มดำหรือความเยือกเย็นทางใจอันลึกซึง้งในความสุขความเยือกเย็นอันเป็นสมบัติส่วนตัวที่ได้มาฟรีๆนั้นหากคิดเจือจารย์นึกปรารถนาให้คู่ปฏิปักษ์ผู้สาบแช่งเราได้ส่วนแห่งความสุขความเยือกเย็นจากเราแล้วคำสาบของเขาจะไม่มีผลในทางลบกับเราแต่อย่างใดเลย นอกจากนั้นถ้ากระแสความเย็นของเราเป็นจริงเป็นจังจนสัมผัสได้ชัดพอเขาก็อาจรู้สึกคล้อยตามและสงบลงกว่าเดิมหรืออาจกระทั่งขอโทษขอโพยเราด้วยซ้ำเช่นเดียวกับการป้องกันตัวจากคำสาบเราสามารถถอนคุณใส่ด้วยหลักเดียวกันคุณใสมาจากจิตที่มืดก็แก้กันด้วยเมตตา อันรินมาจากจิตที่สว่างเมื่อแสงสว่างมาความมืดก็สลายไปเองปัญหาคือความมืดแบบใสดำนั้นมาในรูปฝ้าหมอกหนาทึบทำอย่างไรเราจึงจะสร้างแสงสว่างให้แรงพอจะสลายหมอกนั้นได้คำตอบคือให้อันเชิญมงคลสูงสุดมาไว้ในตัวอาศัยใจที่มีศรัทธาในพระคุณนำหน้า ใจอันเปี่ยมศรัทธานั่นเองเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดอ้ารับแสงสว่างการสวดอิติปิโสเพื่อสัน ร, ริษฐาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอุบายลั ด, ลดๆเพื่อก่อศรัทธาขึ้นในใจขอให้จําไว้ว่าทันทีที่เรากล่าวสันเิริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเท่ากับเป็นการอัญเชิญกระแสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาคุ้มกล้าวแล้วโดยอัตโนมัติ คุณวิเศษของพระรัตนตรัยในบทสวดอิติปิโสนั้นไม่ใช่ใครประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะแต่เป็นการถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรงเมื่อใดอ้างอิงพุทธพจน์เมื่อนั้นคุณกำลังอ้างความจริงอันเป็นสัจจะการอ้างสัจจะความจริงอันเป็นมงคลสูงสุดย่อมบังเกิดผลภัยบุญสูงสุดไปด้วยสิ่งที่ทุกคนประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายๆจบ คือความรู้สึกสว่างอบอุ่นใจและเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัวแม้คนไม่ทราบคำแปลเลยก็จะเกิดประสบการณ์เดียวกันแต่ถ้าทราบคำแปลด้วยก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแน่วแน่ยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ทดลองดูเถอะครับจะเห็นผลทันตาทัา น, ทานใจหากสวดอิติปิโสด้วยความเลื่อมใสสักสองสามรอบ กระทั่งเกิดความอบอุ่นและสว่างภายในแล้วก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจนี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเราผู้สาบแช่งเราหรือผู้กระทําคุณใส่ใส่เราตรงนี้สำคัญเป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรงเสียดหรือเงามืดทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันทีเห็นกันจัะจะไม่ต้องเดินทางไปรดน้ำมน หรือหาหมอใส่ขาวใดๆทั้งสิ้นเพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้นประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทําพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้วหากสวดช่วงเช้าแล้วยังไม่หายขาดเหมือนมีอะไรมืดๆหรือกระแสหยาบๆน่าราคาติดตามอยู่อีกก็ให้สวดอีกสามรอบในช่วงบ่ายสวดอีกสามรอบในช่วงเย็น ถ้าเป็นหนักก็สวดไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงๆจนจิตเกิดความเลื่อมใสตั้งมั่นจะไม่มีเงามืดด่ใดๆครอบงำได้เลยและชีวิตจะมีแต่ความสุขสว่างเจริญรุ่งเรืองด้วยไม่จำเป็นต้องสวดบทอื่นใดเสริมเติมอีกก็จะเห็นความจริงนี้ถนัดในกรณีที่ผู้ถูกคุณใสาขาดสติไม่อาจรับฟังคำชี้แนะ ไม่อาจช่วยเหลือตอนเองด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้หาผู้มีศีลสะอาดมาคนหนึ่งยิ่งถ้ารักษาวาจาเป็นสัตว์มาตลอดได้ยิ่งดีโดยไม่จาเป็นต้องรู้อุปเทศหรือเคล็ดลางพิธีกรรมใดๆมาก่อนผู้รักษาศีลได้สะอาดย่อมมีหนังสือธรรมะประจาใจอย่างน้อยเล่มหนึ่งที่เคยอ่านแล้วกระจางแจ้งเกิดศรัทธาประสาทะในหนังสือเล่มนั้นอย่างแรงกล้า จิตของเขาย่อมเห็นเหมือนหนังสือธรรมะดังกล่าวมีรัศมีสว่างเรืองในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาคีบไว้ด้วยง่ามมือขณะพนมสวดอิติปิโสสามจบใจจะสัมผัสถึงความอบอุ่นจากหนังสือได้มากเป็นพิเศษแม้หลับตาก็จะรู้สึกเหมือนบังเกิดแสงโอภาษ์ฉายจากหนังสือแรงกล้าราวกับเป็นอุปาทาน ขอให้มีความเลื่อมใสในรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นและรับรู้ด้วยใจนั้นและแผ่เมตตาผ่านธาตุลมจากปากโดยนำหนังสือธรรมะไปวางลอยอยู่เหนือกระหม่อมของผู้ถูกคุณใสปิดตาเป่าปากผ่านหนังสือถ้าจิตกำลังใสเบาตั้งมั่นจะเห็นเหมือนลมปากเป็นลำสว่างผ่านทะลุหนังสือไปถึงกระหม่อมของผู้ถูกคุณใสได้ และเขาจะมีความรับรู้เสมือนมีลมใหญ่มาประทะให้สดชื่นขึ้นหากใครเป่าจนชำนาญและเกิดความมั่นใจจะเห็นว่าสามารถช่วยคนที่อยู่ทางไกลได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงตัวด้วยซ้ำเป่าสองสาครั้งน่าจะเห็นผลชัดถ้ายังไม่เกิดผลก็ให้สันนิฐานว่านั่นไม่ใช่เรื่องของการถูกคุณใส หรือสันนิษฐานว่าผู้เป่าไม่มีกำลังใจแน่วแน่เพียงพอเริ่มใส่ไม่พอหรือศีลสัตว์ไม่หนักแน่นพอท้ายที่สุดอยากให้ทำความเข้าใจดีๆคือสายศาสตร์ไม่ใช่วิชาของพุทธคริสต์หรืออิสลามสาวกผู้สืบทอดที่แท้จริงของศาสนาต่างๆ จะรู้ดีว่าคำพีของตนตำหนิติดเตียนศาสตร์มืดอันเป็นโทษด้วยกันทั้งสิ้นแต่คำพีของศาสนาต่างๆก็ให้ทางแก้มาด้วยไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหรือควรเหมาเป็นอุปาทานล้วนๆปวดสวดสนรรเสริญพระรัตนตรัยหนึ่งพุทธคุณ อิติปิโสภัควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภัควาติ 2. ธรัมรมคุณสวากขาโตภัควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปัจจัตังเวทิตโพ ว, วินยูอีติ สสังฆ ค, คุณสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญเชลีกระรนิโย ο, อนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติคำแปล พุทธคุณแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนผู้อื่นควรได้รับความเคารพ บ, บูชาเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วและเป็นผู้จำแนกแจกธรรมธรรมคุณพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสังขคุณพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่ของคํานับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทาบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก